แล้วก็หาวิธีการให้เด็กสวดมนต์ค่ะให้เด็กสวดมนต์ไหว้พระบะสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำอหกพฤติกรรมค่อยๆแผ่เมตตาเด็กจะได้วานอนสอนง่ายขึ้น